จเจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันศุดที่1มกราคมพุทธศักราช2559เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่สาธุชนญาติโยมผู้มีจริตฝ่ายบุญฝ่ายกุศล ได้ตั้งใจมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเพราะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเย็นเย็นเป็นสุขซึ่งจะนำมาความเป็นสิริมงคลความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการสิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันเช่นความสุขความจเจริญนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเราเองผู้อื่นไม่สามารถที่จะให้ความสุขความเจริญกับเราได้เราเป็นผู้สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขและความเจริญดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่พวกเราจะมาตั้งจิตอธิษฐานกันว่า ปีนี้จะคิดดีพูดดีทดําดีเพราะว่าการตั้งจิตอธิษฐานนี้ความหมายก็คือความตั้งใจนั่นเองเราจะทำอะไรได้สําเร็จต้องเกิดจากการตั้งใจก่อนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราจะไม่สามารถจะทำในสิ่งที่เราต้องการจะทําได้ คำว่าอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอซึ่งส่วนใหญ่ทางคารวะญาติยาโยจะแปลคาว่าอธิษฐานแปลว่าขอขอให้ได้สิ่งนั้นให้ได้สิ่งนี้ความจริงแล้วคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจให้ตั้งใจอยู่ที่การกระทำคือเหตุ ที่จะนำมาซึ่งผลคือความสุขและความเจริญถ้าเราไปตั้งอธิษฐานที่ผลเราจะไม่ได้รับผลเพราะว่าเราจะไม่ได้สร้างเหตุกันเมื่อไม่ได้สร้างเหตุก็กจะไม่ได้มีผลตามมาเหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่อธิษฐานขอให้มีข้าวมากๆแต่ไม่ไปทำไร่ไถนาไม่ไปปลูกข้าว อธิษฐานไปจนวันตายข้าวก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะได้ข้าวมากบ้าชาวนาชาวไร่จะต้องจิตอธิษฐานว่าจะตั้งใจถายนาปลูกหวานข้าวให้มากๆเมื่อได้มีการสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดโรงข้าวขึ้นมาเดี๋ยวไม่นานผลก็คือโรงข้าวต่างๆ ก็จะเกิดตามมาดังนั้นพวกเราชาวพุทธต้องมาทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าอธิษฐานกันใหม่อธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาผลนี้เราขอไม่ได้อธิษฐานขอไม่ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถให้กับเราได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของผู้ใดที่จะให้ความสุขความเจริญแก่พวกเราและก็ไม่มีใครไม่มีอยู่ในวิสัยของใครที่จะให้ความทุกข์ความเสื่อมเสียกับเราได้มีเรานี่แหละเป็นผู้สร้างความสุขสร้างความเจริญ หรือสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวของเราเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขความเจริญเราก็ต้องมาตั้งจิตอธิษฐานที่การกระทำคือเหตุปีนี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไป น, นี้จะคิดดีพูดดีทำดีจะไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายทำร้าย ถ้าเรามีแต่การคิดดีพูดดีทำดีผลดีย่อมตามมาถ้าเราไม่มีการคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผลเสียหายผลร้ายต่างๆก็จะไม่มีตามมานี่คือกฎแห่งกรรมกฎที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตและกฎที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาเกิดจากการเข้าใจกฎแห่งกรรมว่ามีเหตุแนบมีผลกรรมนี้แบ่งเป็นสองส่วนกรรมฝ่ายเหตุและกรรมฝ่ายผลการกระทานี้เป็นเป็นฝ่ายเหตุแล้วฝ่ายผลก็คือวิบากก็จะตามมา คิดดีพูดดีทำดีความสุขความเจริญการไปสู่สุขติก็จะเป็นผลตามมาคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายความทุกข์ก็จะตามมาอบายก็จะตามมานี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะมาทำให้ใครได้ถ้าพุทธเจ้าทำให้พวกเราได้ พวกเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้แต่พระพุทธเจ้าทำได้เพียงสอนเราบอกเราว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องกระทำการกระทำสาการกระทำด้วยกันคือหนึ่งเราต้องละา บ, บาปไม่ทำบาปทั้งปวงสอง เราต้องสร้างกุศลให้ถึงพร้อมและสเราต้องชำระใจของเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เพราะนี่คือการกระทำที่พระพุทธเจ้าได้สรงกระทำ ม, มาทรงไม่ทำบาปทรงสร้างกุศลให้ถึงพร้อมทรงชำระใจของพระองค์ให้สะอาด บ, บริสุทธิ์พอพระองค์ได้กระทำการกระทำทั้งสาม ประการนี้แล้วผลก็คือทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากปุถุชนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมากลายเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้อง แล้วเราจะได้ไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับเราเช่นอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ลูกดีขอให้สามีภรรยาดีขอให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองของเหล่านี้ขอกันทุกคนแต่ทำไมจึงไม่ได้กันทุกคนเพราะว่าคนที่ไม่ได้ เป็นคนที่ไม่ทำอะไรนั่นเองส่วนคนที่ได้เป็นคนที่ทำเหตุให้เกิดผลที่เขาต้องการขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราจงตั้งจิตอธิษฐานที่เหตุถ้าเราอยากจะได้อะไรเช่นอยากจะเรียนหนังสือให้ได้ที่หนึ่งเราก็ต้องขยันเรียนขยันไปโรงเรียนขยันทำการบ้านขยันตั้งใจฟัง เวลาครูอาจารย์สังสอนถ้าเรามีขยันแล้วเราทำอย่างเต็มที่เวลาสอบเราก็จะได้ที่หนึ่งอยู่ที่การกระทำแต่ถ้าเราไม่ไปโรงเรียนหนีโรงเรียนการบ้านไม่ทำเอาแต่เล่นเอาแต่เที่ยวเวลาครูสอนก็คุยกันเล่นกันในห้องอย่างนี้พอเวลาสอบก็จะสอบตก ก็จะไม่ได้ที่นี่นี่คือเหตุถ้าอยากจะได้อะไรต้องศึกษาว่าเหตุนั้นคืออะไรทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้อย่างไรอย่างชาวนาชาวไร่อยากได้พืชผลมากๆก็ต้องปลูกต้นไม้ไว้มากๆนั่นเองถ้าปลูกหนึ่งไร่ก็จะได้ผลเพียงหนึ่งไร่ถ้าปลูกห้าไร่ก็จะได้ผลถึงห้าไร่ด้วยกันอยู่ที่การปลูก ไม่ได้อยู่ที่การขอเฉยๆขอไปจนวันตายว่าปีนี้ขอให้มีพืชผลมากกว่าปีที่แล้วอีกสิบเท่าอย่างนี้ขอไปถ้าเหตุไม่ได้ผลขยายเพิ่มเป็นสิบเท่าผลก็จะไม่เป็นไม่มาเกิดขึ้นมาได้นี่คือเรื่องที่พวกเราควรที่จะทำความเข้าใจกัน ถ้าพวกเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่มีความทุกข์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ทําบาปทั้งปวงเพราะการทําบาปจะทําให้เรามีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแล้วก็เวลาตายไปจะไม่ได้ไปเกิด ในสวรรค์หรือไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะต้องไปใช่บาปใช่กรรมในอบายจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้ได้หมดไปจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราไม่ทําบาปเลยนี่ตายไปนี่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีเลย ส่วนถ้าเราได้สร้างกุศลให้ถึงพร้อมทำความดีต่างๆเช่นมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาผูยา่าตายายคอยรับใช้คอยเลี้ยงดูคอยให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญแก่บิดามารดาเราก็จะมีกุศลกุศลนี้จะเป็นเหตุ ที่จะทำให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือเรื่องของเหตุและผลแล้วถ้าเราสามารถทำข้อที่สมได้คือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ชำระอะไรใจของเราเปิดเปื้อนด้วยอะไรใจของเราก็เปิดเปืเป้อน ด, ด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ กิเลสตัณหานี่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเวลาเราไม่สบายใจนี้อย่าไปโทษใครโทษกิเลสของพวกเราเองโทษความโลภความอยากของเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้มาก็เสียใจพอหรือว่าพอมีอะไรแล้วเสียสิ่งที่เราไม่อยากเสียไปก็เกิดความเสียใจขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่มีความโลภความอยากเราจะไม่มีความเสียใจเวลาเพราะเพราะเราจะไม่ต้องการอะไรและเวลาเรามีอะไรเราเสียไปเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราไม่มีความอยากที่จะเสียที่จะไม่เสียมันจะเสียก็ไปปล่อยมันเสียไปวิธีที่จะทารักใจของเราให้สะอาดได้นี้เราต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนา เราต้องรู้จักวิธีทำใจให้สงบนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็จะสงบตัวลงชั่วคราว เหมือนกับไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วใจของเราก็จะมีเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขจะทําให้เรานี่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอเราออกจากสมาธิมาออกจากความสงบมาพอใจของเราคิดอยากจะได้สิ่งงั้นสิ่งนี้ก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจว่า อย่าไปทำตามความอยากอย่าไปทำตามความโลภเพราะจะทำให้เราต้องทุกข์ในภายหลังได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจสู้อยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีวันจากเราไปให้ความสุขเราไปตลอดทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้ว นี่แหละคือความสงบที่พระพุทธเจ้าพระอาลันตถาวกทั้งหลายได้รับกันหลังจากที่ท่านได้ชำระใจของท่านชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากให้หมดไปจากใจแล้วใจของท่านก็สะอาด บ, บริสุทธิ์มีความสุขเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจทำให้ท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้าใจยังไม่สะอาดใจยังมีความอยากอยู่ใจก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากจะทำอะไรต่างๆโดยมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพัดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารัก ไม่ต้องมีความทุกข์กต่อไปนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราที่พวกเราควรที่จะจ้งจิตอธิษฐานกันว่าในปีใหม่นี้ตั้งแต่วันนี้ไปจะขอละการกระทำบาปทั้งปวงจะขอทำการกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและจะขอชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราก็จะได้มีการกระทำเราก็จะได้มีผลคือความสุขความเจริญความสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปดังนั้นในวาระฤตีขึ้นปีใหม่ปี2559นี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลก มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายได้อยู่การอย่างร่มเย็นเป็นสุขแค้วคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเธอ